ไงรู้กลับเ ม, มื่อไรมีเช้าเจ้าค่ะเราจะกลับญี่ปุ่นเ ม, มื่อไรวันที่เจค่ะอาราี่วันมาได้กี่วันมาได้กี่วันคืนวัสองอาทเจ้าค่ ะ, ะมีอะไรบามีอะไร จ, จะถามบ้ามีเจ้าค่ะถามได้ิ หนูจะให้พ่ขอของหนูทำทานแล้วก็ราทขาสศีเจ้าพระทำไมจะจะทำไมจะไปให้พ่ออนูททำไมลนะ่ะเพราะเขตกมาลเพราะตกกล้วไม่ได้ตกลงในต่อน หน้ากจะน่ากลัวตัวเราจะตกนรกน่า ก, กว่าตกนรกเพราะเ่ียให้เขาไม่ตกนรกรู้เปล่าหนกําลังตกนรกอยู่เปล่าหนูสุขหรือทุกข์ฮะไม่ค่อยสุขเท่าไหร่คขนาดนัไม่สุขมันก็ต้องทุกข์ทุกข์มันก็นรกคดีหนูหไม่ หราไม่อยากคนหนึ่งตกนรกหนูเลยตกนรกแท ง, งเขาเลยถ้าอาจารย์พร อ, อุบายอะไรไหมคะให้ถ้าดูก็ดูพระพุทธเจ้าถ้าท่านทำให้พวกเราไม่ตกนรกได้ท่านก็ทำให้เราไม่ตกนรกก็นหนีไแล้วแต่พระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้แล้วเราจะไปทำอะไรไ่้ เป็น impossible อะไรอย่างเงี้มิชชั่น i m s s i b l ให้ดูไปอย่างนี้หรอครับหนูว่าทำตัวหนูไปอาหนังสือธรรมะไปทิ้งไว้ที่บ้านเวลาก็ชวนพ่อมาทำบุญชวนพ่อมาเข้าวัดถ้าเขามาก็ดีมไม่มาก็กเรื่องของเขา หนูทำตัวหนูหนูทำตัวให้หนูบวชชีได้ไหดรือเปล่านะเราจะไปทำให้พ่อทำบุญรักษาศีลได้ไหมขนาดตัวหนูเองหนูยังทำไม่ได้แล้วหนูจะไปบังคับให้คนอื่นเขาทำให้ทาได้ไยัง ไ, ไงเข้าใจไหมก็ค่ะแต่ละคนก็มีความสามารถมีความเห็นไม่เหมือนกัน เขามีความเห็นว่าไม่ต้องทำโดยไม่ต้องทำท ำ, ท, ำทานก็ได้ไม่ต้องรักษาศีลก็ได้เขามีความสุขของเขาอย่างนั้นเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมเมื่อเ้ามีความสุขพ่อหนูทุกข์เมื่อพ่อหนูสุกตอนนี้หนูไม่สบายจัาทุกบ้างถูกบ้างเลยค่ะ แล้วใครเป็นคนทาให้เขาสูกใครก็ทุกข์อะพอหนูเองค่ะหนูบ่อยๆเขาท า, า ท, ทานได้เปล่าบอยเขารักษาศีได้เป่าถ้าเรื่องทำทานก็พอจะหมอให้ทาได้เจ้าค่ะแต่เรื่องรักษาศีนไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้เลยทายัางไง เร่ก็ได้มาถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะเราก็ถามกลับไงทำอะไรไม่ได้เจ้าค่ะนอะกจากคาว่านอกจะกคาว่าหน้าตาเนี่ยแหละอานาตตาอานาตาก็าาาาคือไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปทำอะไรได้เรียกว่าอานาตตา นะของตัวอย่างในโลกนี้มันอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราอยากจะทําอนัตตาให้เป็นอัตตาแล้วก็ทุกเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยากให้ขอ ง, งต่างๆเป็นไปตามความใจเรานี่ไม่ได้หรอกบางอย่างก็ทําได้บางอย่างก็ทาําทไม่ได้ทําได้ก็ทําไปทาไม่ได้ก็ต้องหยิด ตอนนี้ลองให้ฟ้าหยุดร้องแด้ป่ะทำไมไม่ไปอยากให้เขาฟ้าหยุดร้องอ่ะอเราไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่พ่ <c oughs> อกับเราก็ไม่เกี่ยวกันเราไปเราไปเกี่ยวกันของเขาเองนะคร <c oughs> เขาก็เป็นคนรู้จักกันเท่านั้นเองคนที่มีความสัมพันธ์แต่เขาก็ไม่สามารถเขาก็เป็นเหมือนท้องฟ้าเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เพราะความเกี่ยวกันทําให้เราทุกข์เพราะถ้ามันไม่เกี่ยวกันเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนอื่นเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากไม่ใช่ไหมถ้าเราไม่อยากเราจะทุกขนะ์ไหม ก็อยา ก, ก, กไปอยากเลยอยากก็ไม่ได้ทางใจอยากแล้วจะอยากทำไมนะทำดีที่สุดแล้วทำน้อยเท่าไหร่ก็ทำนะเห็นตอนนี้มืดอยากจะทำให้มันสว่างได้ไหม ท้าไม่ไม่ไปอยากให้มันสว่างก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมถ้าอยากให้มันสว่างมันก็จะต้องเดือดร้อนต้องดูความอยากของเราเวลาไม่สบายใจถามว่าเ ร, าเราตอนนี้กาลังอยากทำ อ, อะไรแล้วเราทะไรได้หรือเปล่าทำตามที่เราอยากได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อย่าไปทํามันไม่ดีกว่าอย่าไปอยากมันไม่ดีกว่า เมื่อไม่อยากแล้วเราก็จะเฉยๆไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ถ้าอยากแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีของทุกอย่างเขามีเหตุมีปัจจัยมีวาระของเขาเหตุปัจจัยทำให้เขาเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะแก้เหตุแก้เขาต้องไปแก้ที่เหตุปัจจัยของเขา ประกายของพ่อก็คือความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงจักเป็นดอกบัวเห็นว่านาลกไม่มีสวรรค์ไม่มีเห็นว่าการรมไม่มีทำบุญก็เท่ากระทำบาปไม่มีผลต่างกันทำบาป ด, ด้วยบาปสนุกกว่าใช่ไหมนั่นเป็นต้นแก้ที่ตรงนั้นเลยแก้ที่ความความเห็นผิดเป็นชอบของเขา ว่าทำบาปมันมีโทษทำบุญไม่มีโทษแก้ได้ไนหะมล่ะพรอพุทธเจ้าแก้ให้องค์คุลีมานะพระพุทธเจ้าแก้ได้หรือเอาเอ า, เอาตัวอย่างองคุลีมานไปใช้กับพ่อดูเนเอาเรื่ององคุลีมานไปเล่าให้ฟังก็ได้องคุลิมานร้ายกว่าพ่อไงฆ่าคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน พอเจอพระพุทธเจา้าพุทธเจา้าบอกนั่นไม่ใช่ไปทางสู่ความสุขนั่นไปทางทางไปสู่ความทุกข์ทางไปสู่สนรกองคุลิมาได้ยินเท่า น, นี้ก็ตกใจไปบอกพ่อบอกทำบาปทางไปสู่นรกถ้าพ่อจะบอกได้ไหรือเปล่าเดี๋ยวบอกแกแกก็โกรธกลับมาจะทําทยัางไง เป็นลูกก็ไปสอนพ่อไม่ได้ไง น, น, นอกจากพ่อถามเขาก็บอกได้ถ้าพ่อถามหนูมาวัดหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างเาพูดไปเลยนะเรียนรู้ว่าทำบาปแล้วอทุกทำบุญแล้วสุขถ้าไม่เชื่อนรกเชื่อมสวรรค์ก็ให้เอาเรื่องสุขเอาทุกข์แทนไม่ต้องพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ได้ ถ้าทำบุญนล้วจะมีความสุขถ้าทําบาปแล้วจะมีความทุกข์ถ้าพอ่อเขบอกฉันทําบาปฉันก็มีความสุขจะทำยังไหมืนกินเหล้าฉันก็มีความสุขฉันโกหกโกหกเมีย ก, ก, ก, ก็มีความสุขมันก็ต้องปล่อยก็ไปใช่หมน้องหนูปัน ตัวหนูต้องดูตัวหนูของหนูความทุกข์ทำไมหนูไม่แก้ความทุกข์ของหนูก่อนนะไม้วแ ก, ค ก, ควกค้ความทุกข์ของคนอื่นทําไมแก้ความทุกข์ของคนอื่นความทุกข์ของตอนยิ่งกลับมีมากขึ้นไปต้องแก้ความทุกข์ของตัวเองก่อนสิเป็นหมอรักษาตัวเองไม่ได้แล้วจะไปรักษาคนอื่นได้ไงใช่มอ่าถัดรักษาตัวเองให้ได้ก่อน รัาษตัวเองง่ายแล้วค่ไปรักษาคนอื่น้ายใจยังมีอะไรไห ม, มอืมให้ฝนเข้มาหลงฤดูนะแล้่แจะหนาวกลับมาฝนหยุ่นลยบางทีธรรมชาติมันอาจจะบอกอะไรเราก็ได้นะ บอกใช้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันไม่สบายพวกเธอมาทำให้ฉันไม่สบายเหมือนร่างกายบอกไม่สบายเพราะคณกำลังทำร่างกายให้เราไม่สบายกินมากเกินไปกินของเสียกินของเป็นพิษพวกเราหาความสุขทิดที่กัน ห, หาความสุขจากของในโลกนี้ มันก็เลยไปทําให้ของในโลกนี้เสียสมดุลขึ้นแบบกดน้ํามันขึ้นมาใช้ใช้แล้วก็แปลงน้ํามันให้กลายเป็นควันพิษทําให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบของบรรยากาศต่างๆอากาศ ถ้าพวกเราทุกคนหาความสุขที่ใจก็จะไม่ไม่ทําลายธรรมชาติก็จะเหมือนกับสัตว์สัตว์เขาไม่ก็ได้ทําลายธรรมชาติเพราะอยู่กับธรรมชาติเขาปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติท่านที่ไหนหนาวเขาก็บินไปที่ร้อนที่ไหนแรงเขาก็ไปหาที่มันไม่แรงเพราะปรับไป มันทดลองเล่นปรับธรรมชาติตอนนี้แรงก็ไปหาหน้ำมาทำให้มันไม่แรงแต่มันไปทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติก็อทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาทำอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่เราผลิตก็กลายเป็นขยะกลายเป็นของมีพิษ พอไปฝังดินมันก็ไหลลงเข้าไปในส่วนระบบน้ำบาดาลเข้าไปสู่ในระบบน้ำลงไปทางแม่น้ำลำธารลงไปสู่ทะเลมันก็ไปกระเทินกับสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในลำน้ำนี่เป็นวิถีชีวิตของกิเลสตันหาท า, างอยา อยากหาความสุขจากทางร่างกายทางตาหูจรูกท่เกิดขึ้ต้องผลิตอะไรใหม่ๆ ม, มาให้ดูให้สัมผัสอยู่เรื่อยๆแล้วหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นความสุขที่ต้องคอยเตินอยู่เรื่ อ, ๆอยๆหน้ำี่อใจในตุ่ม เต็มไป่ไหลก็ไม่เป็นก็คือเต็มยอดเดี๋ยวก็พังเ็มีลอยลู่ลอ ย, ยลู่ก็คือความอยากพอพอทำอะไรเสร็จมีความสุขเดียวเดียวเดียวความอยากเหมือนก็เกิดขึ้นความสุขที่ได้มาก็หายไปต้องทำใหม่ต้องเที่ยวใหม่ต้องเดินใหม่ต้องรับประทาต้องดูใหม่ต้องฟังใหม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนก็ต้องหาวิธีผลิตของใหม่ๆมาตอบสนองความอยากแล้วถ้าเวลาไม่มีของมาตอบสนองความอยากของมีไม่มากพอก็ต้องแข่งแย่งกันเดี๋ยวก็ต้องทำสงครามกันาะความอยากมันหายยาให่ตัว คนมันมากขึ้นความอยากมันก็เพิ่มไปริมาณมากขึ้นนี่แหละตัวความอยากนี้เป็นเหมือนมะเร็งมันขยายตัวโดยการทําให้เกิดมีมนุษย์มากขึ้นมีสัตว์มากขึ้นมีสัตว์มากขึ้นมีมนุษย์มากขึ้นก็ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆโลกนี้ก็เป็นเหมือนว่างกายความอยากนี้ก็เป็นเหมือนตัวมะเร็ง ร่างกายของมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนตัวมะเร็งเนี่ยที่กัดกินโลกนกัดกินทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอย่างพัทยานี่นั้นะเลสมัยจอนสมัยที่เราเด็กๆนี่ใส่ต า, า, ามีตาโรมานาว่าให้ดูมีสักสี่ห้าสิบก่อนใ ส, สาา่ตาเนี่ยนี้สกปวกมาก น้ำจากโลองแรงจากบ้านเรือนจากอะไรก็ไหนเรียงทะเลเยน้ำโสโครบก็หลักนะเป็นผลของความอยากความอยากนั้นลดลงมาก ไม่ต้องไม่ต้องบอกวันแมนโชแล้วยังไม่เข้าใจเดีว <c oughs> ทำคนเดียวสบายกว่าได้ยินไหม <c oughs> ความอย่างนี่เป็นตัวที่ทำลายสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ ให้กับสัตว์โลกคือมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายความอย่างนี้มันเกิดจากความหลงหลงคิดว่าความสุขอยู่ภายนอกใจหลงคิดว่าความสุขอยู่ภายนอกตัวเราต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกกันต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพบกับความอิ่มความพอมีแต่มีความหิวเพิ่มมากขึ้นมีความอยากเพิ่มมากขึ้นต้องหาให้มากขึ้นคนที่เดืมบสุราคนที่สูบบุหรี่ตอนต้นก็สูบวันลวไม่กี่มวนเดืมบวันละไม่กี่ถ้วยพอสูบไปแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณเข้าไป ถึงจะได้ความสุขเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เพิ่มถ้าถ้าสูบแล้ดื่มเท่าเดิมมันรู้สึกว่ามันไม่พอต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลับมาเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพิษกับจิตใจก็เพราะเวลาเกิดความอยาก ก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความไม่สบายใจถ้าไม่สามารถหามาได้ด้วยความสุดจริญก็ต้องไปหามาด้วยวิธีทุตจริญทุจริญก็ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อตอนเองจะได้มีความสุข แต่ความทุกข์ของผู้อื่นตนไม่สนใจขอให้ได้ความสุขนี่แหละถ้ามีคนมาสอนอย่างพระพุทธเจ้านี่มาสอนพวกเราว่าอย่าไปหาความสุขข้างนอกเลยมันเป็นความทุกข์หาความสุขภายในใจดีกว่า เป็นความสุขแท้เพราะไม่มีความทุกข์ตามมาไม่ต้องไปมีปัญหากับใครไม่ต้องไปใครทำให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องใช้อะไรใช้ใจใช้คุธรรมะที่มีอยู่ในใจนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองแล้วจะอยู่มีอยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดสิน้นไม่มีวันสูญหาย ถ้าหาความสุขทางร่างกายร่างกายแก่พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไปก็ลำบากหาไม่ได้ความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้สติเพียงตัวเดียวเป็นจุดเริ่มต้น ถ้ามีสติทำใจให้นิ่งให้สงบได้ก็จะมีความสุขเพียงแต่หยุดคิดเท่านั้นเองถ้าเราหยุดคิดได้เมื่อไหร่เราก็จะสบายเมื่อนั้นเพราะความคิดส่วนใหญ่ของเรามันเป็นพิษกันความคิดของเรามันคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคิดไปในทางความอยากกัน พอเราถูกความหลงสอนให้คิดไปอย่างนั้นสอนให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเรียกว่ากามตัณหาเรียกว่าภาวะตัณหาวิภา ว, วะตัณหาดี่เป็นการหาความสุขด้วยตามด้วยความอยากอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อยากดูอยากฟังอยากได้ดมกลิ่นนิ่งน็อตอยากได้สัมผัสสิ่งต่างๆ ผ่านทางร่างกายอยากมีอยากเป็นอยากมีมากๆอยากมีเงินมากๆก็จะจะได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มากได้นานอยากเป็นใหญ่เป็นโตเพราะเป็นใหญ่แล้วสามารถหาเงินหาทองได้มากไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย เพราะถ้าแก่เจ็บตายแล้วจะหาความสุขไม่ได้แต่พอเกิดความอยากแล้วใจมันเครียดขึ้นมาทันทีความอยากนี่แหละเป็นตัวสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้เกิดขึ้นความทุกข์ใจต่างๆเกิดจากความอยากดังนั้นต่อให้มีมากมีน้อยถ้ายังมีความอยากอยู่การมีมากมีน้อยก็ไม่มีผลอะไรแตกต่างกัน มีมากก็เครียดมีน้อยก็เครียดเครียดด้วยความอยากมีน้อยก็อยากมีมากมีมากก็อยากจะให้มีมากไปเรื่อยอยากไม่ให้มีน้อยอยากไม่ให้มันหมดนี่คือปัญหาของใจที่ถูกความหลงเสี่ยมสอนให้ไป เกิดความอยากต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เห็นโทษเพว่าเกิดจากความอยากกลับไปเห็นโทษว่าเกิดจากการที่ไม่ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้เช่นได้เงินน้อยเกินไปได้ตําแหน่งต่ําเกินไปได้อะไรไม่ได้ดังใจแต่ไม่เคยคิดเลยว่า ถ้าเราไม่อยากสักอย่างแล้วมันจะมีความทุกข์ไหมหนอถ้าเราไม่อยากได้อะไรนี่เราจะทุกข์หรือเปล่าเราได้มากได้น้อยถ้าเราไม่อยากได้เราจะเดือดร้อนไหมเช่นเราไม่อยากได้อะไรคนจะมาให้เราพันบาทหรือให้เราร้อยบาทนี่เราจะมีความทุกข์ไหมแต่ถ้าเราอยากได้ พันบาทถ้าเราได้เพียงร้อยบาทเราก็ทุกข์แล้ว ไ, ได้น้อยไปคนที่ไม่อยากได้อะไรเลยให้ร้อยบาทก็ดีใจแล้วนี่ละ่ะคือเรื่องของความอยากมันผลิตความทุกข์ให้กับเราแต่เรากลับไม่รู้ว่ามันเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ของเราแทนที่เราจะไปแก้ความความความทุกข์ด้วยการหยุดความอยากเรากลับไปทําตามความอยาก ยิ่งทำตามความอยากความอยากมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอยากเพิ่มมากขึ้นไปได้คือก็อยากได้ศอกได้ศอกก็อยากได้วาเป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายเรือก็อยากจะเป็นนาวาเป็นนาวาก็อยากจะเป็นนายพลมันต่อไปเรื่อย แล้วเวลาอยากแต่ละครั้งนี่มันสบายที่ไหนกวนกวายกระสับกระสายช่วงที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นกันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกันบางทีงจะกระทั่งต้องวิ่งต้องเต้นกันนี่แหละเป็นพิษของความอยากแต่กลับมองไม่เห็นกันถ้าไม่อยากซะอย่างนะสบาย ใครจะเป็นในร้อยก็ปล่อยก็เป็นไปใครจะเป็นในานในพันก็ปล่อยก็เป็นไปใครจะร่ำใครจะรวยแล้วก็ปล่อยไปเราสบายแล้วเราไม่อยากนี่เราสบายแล้วเราอยู่เฉยๆเราสบายจะตายเลยนี่แหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งว่าความสุขความทุกข์อยู่ที่ความอยากหรือไม่อยากนี่ ตราบใดยังมีความอยากสามประการนี้อยู่คือการมากตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องมีความทุกข์ตราบนั้นก็ยังจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากไไมไไ ม, นะม่่่่ดด้ยอะแ หมดนะอ๋อต้องใช้เสาผ่านดังไหมเสาอากาศช่วยได้เลยพอไฟมันอ่อนแล้วมันก็ต้องใช้ใช้ใช้เสาอากาศช่วยธรรมาดาไปตั้งไว้ดึงเสาขึ้นหรือป่ตั้ ง, ต, งตั้งไปตามที่ต่างต่างอ ต้องเดงมาถึงพอมันอยู่ไกลสัญญาณมันงนั้นขอให้เชื่อพระพุทธเจ้านะว่าความสุขความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากสามตัวนี้นะถ้าไม่มีความอยากสามตัวนี้เราก็จะมีความสุขถ้าเรามีความอยากสามตัวนี้ต่ให้เราได้มามากน้อยเพียงไรเราก็จะต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะความทุกข์มันเกิดจากความอยากนี่เอง และวิธีที่จะดับความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าทรงสอนสามขั้นทําทานรักษาศีลภาวนาทาทานก็คืออย่าเอาเงินไปทาตามความอยากเวลาอยากจะเที่ยวก็เอาเงินเที่ยวนี้ไปทำบุญเวลาอยากจะซื้อของไม่จำเป็นก็เอาไปทำบุญเรามีเงินเหลือ เราอยากจะเอาไปซื้ออะไรที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นก็เอาไปทำบุญแทนเก็บเงินไว้สำหรับสิ่งที่จำเป็นจริงๆเช่นปัจจัยสี่อาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอเพียงแล้วไม่เดือดร้อนแล้วเราก็อย่าไปหาเงินหาทองให้มันเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะว่าเราจะไม่ได้ความสุขเพิ่มมากขึ้น ความสุขที่ได้จากเงินทองก็เพียงแต่มาดูแลร่า ง, างกายเหล่านี้เท่านั้นเองถ้าร่างกายเราไม่เดือดร้อนได้รับการดูแลอย่างพอเพียงแล้วต่อให้มีเงินขึ้นมาร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่มีอะไรที่ความสุขมันก็จะไม่มีมากขึ้นไปความสุขเกิดจากการที่เราเสียสละแบ่งปันทำบุญทำทาน เวลาช่วยเหลือผู้ให้คนอื่นก็มีความสุขเราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาเราจะทำให้เรามีจิตเมตตากรุณาทําให้เราอยากจะรักษาศีลเราก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นชั้นจากชั้นอนุบาลขึ้นสู่ชั้นปฐมหรือขึ้นชั้นจากชั้นปฐมขึ้นสู่ชั้นมัธยมได้ ทำทานแล้วจะทําให้เรารักษาสีนได้ถ้าเราไม่ทําทานเราหวงทรัพย์อยากได้ทรัพย์เราจะรู้สึกว่ารักษาสีนลาบากเพาเราอยากจะหาเงินเยอะๆอยากจะได้ทรัพย์มากๆเวลาทําอะไรก็ถ้าต้องโกหกก็ยินดีที่จะโกหกอย่างพ่อค้าแม่ค้านี่เขามักจะมาบ่นให้ฟังเลยว่าทํามาหากินนี่แล้วรักษาสีนลาบากเหลืเกิน การที่เราจะสามารถทำลายความอยากต่างๆได้หมดเราต้องเข้าถึงขั้นภาวนาขั้นทานขั้นศีล น, น, น, น, นี่เป็นเหมือนขั้นบันไดที่จะดึงให้เราเข้าสู่การภาวนาการทำทานก็เพื่อให้เราได้หยุดการหาเงินหาทองถ้าเราทำทานได้แสดงว่าเรามีเงินพอแล้วมีมากพอแล้วไม่ต้องหาแล้วพอเราไม่ต้องหาเราก็จะมีเวลามา ภาวนาได้ถ้าเราทําทานได้เราก็จะรักษาศีลได้ถ้าเราไม่รักษาศีลการกระทําบาปมันก็จะทําให้ใจเราวุ่นวายทําให้ใจเรามีความทุกข์ซึ่งจะทําให้การภาวนานี้ยากถ้ามีศีลแล้วใจจะเย็นใจจะไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวล นนั้นเราต้องทําทานรักษาศีลให้ได้ทําทานเพื่อหยุดการทํามาหากินนั่นเองหยุดการหาเงินหาทองคือถ้าเราเอาเงินที่เราหามาได้ไปซื้อของต่างๆตามความอยากมันก็จะทําให้อยากซื้อไปเรื่อยๆอยากเที่ยวไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้ก็กลับก่อนนะอตามสบายนะออ ไม่พอใช้ก็ต้องก็ต้องไปทำงานต่อทำงานก็จะไม่มีเวลามาภาวนาถ้าไม่ภาวนาแล้วมันก็จะไม่มีทางที่จะหยุดความอยากได้ต้องภาวนาภาวนาก็มีสองระดับสมถภาวนาวิปัสนาภาวน า, ว า, า, วนาสมถภาวนาก็หยุดความอยากชั่วข่าว พอออกจากความสงบมาพอเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาตอนนั้นก็ถ้าต้องการที่จะทำลายความอยากอย่างถาวรก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขสิ่งที่อยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหามาใหม่ได้มาแล้วก็ต้องหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย หาได้เท่าไหรนก็ไม่พอสักทีถ้าไม่พอก็ยังไม่สุขอยู่นั่นสู้อย่าไปหาดีกว่าอยู่เฉยๆทาใจให้สงบดีกว่าหยุดความอยากดีกว่าไม่ทําตามความอยากดีกว่าพราะเวลาไม่ทําตามความอยากแล้วใจก็สงบเย็นสบายนี่คือวิปัสสนาปัญญาคอยใช้ เตือนใจอย่าไปทำตามความอยากใจที่มีความสมาธิแล้วก็จะหยุดได้มีกำลังที่จะไม่ทำตามความอยากได้เพราะใจมีความสุขในตัวแล้วเพียงแต่ว่ายังติดนิสัยเดิมอยู่ยังเคยอยากนู่นอยากนี่อยู่พอเกิดความอยากถ้าไม่มีปัญญามาเตือนว่าอย่าไปทำตามความอยากก็ก็จะไปทำตามความอยากแล้วก็จะติด นิสัยไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำตามความอยากต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากเพไม่มีความอยากแล้วต่อไปก็สบายอยู่เฉยๆไม่ต้องทำมาหากินให้เดือดร้อนให้เหนื่อยมากกว่าทำประโยชน์ให้แกผู้อนอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทาลายความอยากหมดแล้วท่านก็เอาความรู้ความ เห็นนี่มาสอนผู้อื่นสอนผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์สอนให้เขาหยุดความอยากกันพอเขาฟังปั๊บเขาก็พวกกลุ่มล่าๆที่ฟังนี่เขามีสมาธิแล้วมีศีลแล้วเขาทำทานแล้วเขาเป็นนักบวชนะพอบอกให้หยุดความอยากเขาก็รู้เขาก็ทำได้ทันทีเพราะเขาเห็นความอยากอยู่ในใจเขาเห็นโทษของความอยาก เวลาเกิดความอยากแล้วมันทำให้ใจที่สงบนี้วุ่นวายขึ้นมาพอหยุดความอยากความวุ่นวายก็หายไปความสงบก็กลับคืนมาใหม่อันนี้แหละคือเรื่องของใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดพวกเราต้องพยายามเข้าสู่การภาวนาให้ได้เต็มรูปแบบ เพราการภาวนาไม่เต็มรูปแบบมันก็เหมือนกับการรักษาแบบไม่เต็มรูปแบบเหมือนไปหาหมอสามวันแล้วก็ขอลาไปทํางานสักสองอาทิตย์แล้วก็ขอกลับมารักษาตัวต่ออีกสามวันรักษากันไปจนวันตายมันก็รักษาไม่หายถ้าอยากจะรักษาหายก็อยู่โรงพยาบาลไปต้องการหมอจะรักษาหายแล้วค่อยค่อยออกจากโรงพยาบาล แต่เบื้องต้นก็ต้องทำอย่างนี้ก่อนเพราะยังตัดไม่ได้ยังมีพาระผูกพันอยู่ได้มารักษาทีละสามวันห้าวันก็ยังดีแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าอยากจะรักษาให้หายขาดต้องอยู่ไปยาวเลยบางคนก็ไม่ใช้เวลานานเจ็ดวันก็หายได้บางคนก็ใช้เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีบางคนก็เจ็ดชาติ พระโสดาบันเนี่ยถ้าได้พระโสดาบันแล้วก็ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ถ้าอยู่ในยุคที่มีกูบาจามีเช่นมีพระพุทธเจ้าอยู่เนี่เดี๋ยวภายในเจ็ดวันก็บรรลุได้เจ็ดเดือนก็ได้ได้ระโสดาบันแล้วอีกสองวันก็ได้สกิราคามีอีกสองวันก็ได้อนาคาเมีเยอีกสองวันก็ได้อาาร่ามถ้ามีคนคอยสอนคอย คอยยุให้ปฏิบัติอย่ายเรื่อยๆไม่ให้หยุดไม่ให้หย่อนเดี๋ยวมันก็ได้เองเพราะฉะนั้นเราต้องพุ่งเป้าไปสู่ที่ชีวิตของนักบวชไม่มีการกระทำอันใดที่จะดีเท่ากับการปฏิบัติธรรมการกระทำการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือสุดยอดของการกระทาทั้งหลาย การกระทําที่มีคุณมีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการกระทําทั้งปวงการกระ ท, ทําทางโลกต่อให้รลิ่มให้รวยเป็นมหาเศรษฐีแบบบิลเกตแต่ก็ยังดับความทุกข์ไม่ได้ใจก็ยังวุ่นวายเหมือนกับขอทานอยู่ดีๆเนี่ยขอทานทุกอย่างไรมหาเศรษฐีก็ทุกแบบเดียวกัน าะเกิดจากความอยากเหมือนกันกานขอให้พวกเราพยายามลดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่าง ๆ, างๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหาเงินหาทองกันให้มาก เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาภาวนากันมารักษาสี่งกันถ้ามีเวลาแล้วภาวนาได้นะเดี๋ยวมันก็ได้ผลเองเหมือนกับเรียนหนังสือถ้ามีเวลาไปโรงเรียนเดี๋ยวมันก็เรียนจบพวกที่เรียนรามกันหลายปีก็เพราะว่าไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยได้ดูหนังสือกันถ้าดูหนังสือแบบพวกที่เรียนที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์นี้สี่ปีก็จบ เพราะเขามีเวลาเรียนเต็มที่พวกที่เรียนราวนี้เขาต้องทำงานไปด้วยมันก็เลยทำให้เรียนจบช้าการปฏิบัติก็แบบเดียวกันถ้าเราปฏิบัติอย่างเดียวตลอดเวลามันก็จบเร็วถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นด้วยมันก็จะจบช้าหรืออาจจะไม่จบเลยก็ได้อาจจะตายไปก่อนที่จะเรียนจบก็ได้ ถ้ายังถ้าไม่เบื่อถ้าเบื่อกับการต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้าแล้วซ้ำอีกก็ขอให้รีบภาวนากันแต่ถ้าไม่เบื่อยังอยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอ ก, ก็ก็ไม่มีใครห้ามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะตัสสดสินใจเอาถ้ายังชอบการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ไม่ต้องมาภาวนาเสียเวลา ถ้ายังชอบความทุกข์อยู่ก็ไม่ต้องภาวนาไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานไปทําอะไรตามความอยากต่างๆให้เต็มที่เลยแตถ้าเบื่อก็ต้องถ้ากลัวความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็ต้องกล้าที่จะสละความสุขเล็กๆน้อยๆจากการได้ซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ แล้วยอมมาขังตัวเองอยู่ในที่ปฏิบัติบังคับให้มันเดินจมกรมนั่งสมาธิจเจริญสติไปเรื่อยๆต่อสู้กับความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้แล้วเดี๋ยวก็จะสงบสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากจะให้มีความสุขนี้มากๆอยากจะรักษาความสุขนี้ไว้ ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนว่าสิ่งที่จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็คือความอยากต่างๆนี่เวลาเกิดความอยากก็อยากไปทำตามความอยากเพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขเหมือนควันไฟความสุขเดียวๆแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะจากอยากจะได้ความสุขนั้นอีกอยากได้ความสุขนั้น เป็นไปนานๆอยู่ไปนานๆาพอไม่นานก็ต้องหามาใหม่หามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเวลาหาก็เหนื่อยไม่ใช่หาง่ายๆความสุขในโลกนี้หาเงินแต่ละบาทนี้มันง่ายไหมกว่าจะได้เงินมาซื้อความสุขต่างๆแล้วต่อไปร่างกายมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาความสุขได้อย่าง สะดวกอย่างง่ายดายแล้วต่อไปเวลาตายไปก็หาไม่ได้ตายไปแล้วก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมไปรับผลบุญกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องกลับมาดิ้นลนใหม่แบบที่ที่เคยดิ้นรนมาออกจากท้องแม่มาก็ต้องหัดเดินหัดค้านหัดกินหัดเดิมหัดพูด แล้วก็ต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือใหม่จบมาก็ต้องมาทำมาหากินใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปแล้วเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นถ้าไม่ทำลายความอยากให้หมดไปจากใจดันั้นการภาวนานี้เป็นงานที่สำคัญมากงานถอนภพถอนชาติงานทำลายความทุกข์ทุกรูปแบบ ให้หมดไปจากจิตจากใจไม่มีงานใดที่จะทำได้งานของนายกก็ทำไม่ได้งานของรัฐมนตรีก็ทำไม่ได้งานของผู้อดนวยการโรงพยาบาลก็ทำไม่ได้งานของหมอในโรงพยาบาลก็ทำลายความอยากต่างๆไม่ได้งานทั้งหลายในเรื่องนี้ทำลายความอยากไม่ได้แม้แต่งานเดียวมีแต่รับใช้ความอยาก มีแต่ตอบสนองความอยากไม่ใช่มาทำลายความอยากมาสนับสนุนความอยากงานที่พวกเราทำนี่ส่วนใหญ่ทำเพื่อตอบสนองความอยากเท่านั้นนี่ยมีมีส่วนเล็กๆเกท่านั้นที่เราทำเพื่อดูแลรักษาร่างกายเช่นเงินเดือนเนี่ยได้มาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเอาไปใช้กับดูแลรักษาร่างกายสักกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วที่เหลือนี่ไปใช้ตามความอยากทั้งนั้นไปรับใช้ความอยากอย่าไปหลงทำงานแบบนี้เสียเวลาจะไม่เคยจะไม่ได้รับผลที่พระพุทธเจ้าได้รับคือการดับทุกข์กับการได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต้องภาวนาเท่านั้นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาว สามัคภาวานาก็คือเจริญสติก่อนไม่มีสติก็นั่งสมาธิก็ไม่สงบถ้ามีสติแล้วนั่งสมาธิเดี๋ยวเดียวก็สงบสงบแล้วก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วขั้นต่อไปออกจากความสงบมาก็ต้องคอยเฝ้าดูความอยากมันโผล่มาเมื่อไหร่ก็ต้องฆ่ามันทันทีอย่าไปทําตามความอยาก อยากจะกินกาแฟก็ทุบถ้วยกาแฟทิ้งไปเลย<ม>โยนกาแฟลงทิ้งถังขยะไปเลยให้มันดูนแล้วรู้ลอดไป<ม>อยากจะดื่มเป๊ปซี่ก็โยนทิ้งไปเลยฆ<ม>่ามันให้หมดมอยากจะสูบบุหรี่ก็โยนทิ้งไปเลยอยากจะดื่มเครื่องดก็เทใส่ลงไปในชักโคกเลย<ม>วายเวอร์แชมปองแชมเปญเลยปลดเทใส่เข้าไปให้หมด ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแล้วต่อไปมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งกับจิตใจทั้งกับร่างกายนี่ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าทุกเกิดจากความอยากนี่เราได้ปัญญาของพระเจ้ามาเป็น ต้นทุนแล้วเราไม่ต้องไปหาเองเรารู้แล้วว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากในเวลาเกิดความอยากเราต้องหยุดมันอย่างเดียวเอเราหยุดได้แล้วเพราะเรามีสมาธิพอเรารู้จักหยุดมันแล้วเวลาทําสมาธินี่มันหยุดความอยากได้แล้วเรามีเบรกแล้วอพอมีเบรกแล้วเวลาเราจะเบรกความอยากก็เบรกมันได้ทันทีเฉยๆอยู่เฉยๆเป็นอุเบกขา ไม่ทำตามมันเท่านั้นเองคนที่มีสมาธิไม่ทำตามความอยากจะไม่เครียดไม่ทุกข์แต่คนที่ไม่มีสมาธิมันเครียดเหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกอ่ะมันจะชนอ่ะคนขับมันจะเครียดไหมเวลารถที่จะวิ่งชนยถเขาเนี้ยแต่คนที่เขามีเบรกเขาไม่เครียดเขารู้เดี๋ยวเหยียบเบรกปั๊บมันก็หยุดไม่ไปชนกันเนั้นต้องมีสมาธิก่อนเพราะสมาธิเป็นเบรกของใจน ไม่เบกใจแล้วเวลาจะเจอตันหาก็เบรกเลยหยุดเลยเท่นั้นเองไม่ทำตามเท่านั้นเองมันอยากจะกินกาแฟาก็ไม่กินอยากจะกินกาแฟาก็ากาแฟโยนทิ้งไปอยากจะสูบบุหรี่ก็บุหรี่โยนทิ้งไปต่อไปมันก็ไม่มีอะไรจะมาทำให้เราทำตามมันได้เรามีสมาธิแล้วเราพอแล้วมีความสุขแล้ว แล้วพอไม่มีความอยากความสุขที่ได้อยากสมาธิก็กลายเป็นความสุขถาวรไปเป็นปรามังสุขขังไปเท่านั้นก็จบงานของเราก็มีแค่นี้แหละหยุดความอยากด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยการสนับสนุนของทางและศีลนี่นั้นก็ขอให้ท่านเอาไปปฏิบัติกันนะครทางนี้เป็นทางเดียว ที่จะทําไปสู่การดับทุกข์ได้แล้วก็ดับได้จริงๆเพราะมีผู้ดับมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ดับด้วยทางนี้พระสาวกทั้งหลายก็ดับด้วยทางนี้พวกเราใช้ใช้ทางนี้ก็จะดับได้เหมือนกันทาละก็จะให้ผ่อนอยาถาวาริวะหาปุราปะ ร, ริปุเรนติสักะลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิติตังปฏตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุริตุสังกปาจันโทปนาวะโสยถามณิโชติอะระโสยถาสัพพิตโยวิวาชานตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวทวันตารโยสุขีธีคายุโกภวะ อาภิวาธานาสีฤทธานิจังวุธาปจายโนจตาโรโธรรมาวาทาติอายุวโนสุขงาางังทาังทางโ น, นได้ยินฉันไหมอ่ามันไม่ได้อยู่ที่ตั้งหรอกมันอยู่ที่หันหน้าเขออ้าใจไหมทั่งตรงนี้หันหน้าไปก็ได้ไปตั้งตรงโนแล้วหันไปอีกทางมันก็ไม่ได้ยินน หมอกรณยาอยากจะถามอะไรนะเลก่อไม่ยอย่าเล่าเลยไม่อยากฟังอนะ่ะถ้าจะมาเทศให้ฟังไม่ต้องมาเทศนะถ้ามาเทศให้คนอื่นก็ฟังเลยวันก่อนที่โดนพระอาจารย์เล่นยี่นชื่อหนังสือพระอาจารย์อ่า วันนั้นเนี่ยบอเพือนหนูทำให้หนูลักษณะนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าทำย่อมรักษาคู่ควรกับธรรมพ็ที่ผ่านมาเป็นหนึ่วง่ออีกนิชแยเฉียสูงที่สุอแล้วเกิดคู้ครวันนั้นบอเพิ่นผ่าจารคู่มาพุกแปลว่าธรรมะสาหรับคู่ เอ um าไปฟเราะว่าอาจารย์พ uh ูดตกใจหนูกะชิื้ดฮะอาชีพอาชีพก็สำลองด้วยที่ถามหาถามหาแลวคือกู้แสวงหาพอเสร็จพุบโดนพระอาจารย์เดมันไม่ได้เรื่องเลยซกแตู่้ตอนนั้นนี่ผมมีความรู้สึกว่าใจหนูตึงไปโจนจึงไปอ่านั้เพราะว่าในโดยจังหวะหน้าแล้วคือพระอาจารย์จะว่าอราก็ยอม ลอยลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าเนี่ยตัวศรัทธาคือมันไม่เหมือนกับทุกทีที่มันเสียวๆเวลนเสียคุ่มปุ๊บนีจะรู้สึกวากมกปุ๊ขึ้นแต่นี่มันโนเหมือนโนดึงไปตรงเนี้ยอให้พระอาจารย์ดึงเสียรงที่ในปททยตนี้เขาจะลักษณะนี้ด้วยาที่เรียกว่าทาานัตศรัทธา อา้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็ต้องหาคำตอบมาเองถ้าถ้าใจเราสงบใจเราไม่วุ่นวายก็แสดงว่าเรามีทางถ้าพูดแค่นี้ก็โกรธก็แสดงว่ากิเลสออกแล้วรักษาไม่มีอะไรมาปราบกิเลสใช่ไหมบางคนนี่พอเสียศูนย์หน่อยไปเลยใช่ไหไปไม่กลับเลย แสดงว่ากิเลสมันฝังลึกนะพอเวลามันไปจี้มันเข้ามาเนี่ยมันผลเหมือนผูเขาไฟระเบิดนะแต่พวกเราอย่าไปคิดว่าใจเราตอนนี้นิ่งเราไม่มีกิเลนนะยังไม่ยังไม่มีอะไรมาจี้ถูกจุดนะออพอมีอะไรมาจี้ใจแดงเข้าใจดำเข้าเดี๋ยวมันก็ <laughs> ตะบะแตก นาานเนี่ยครูบาอาจารย์ชอบพิสูจน์ลูกเส็ดนะใครว่าเก่งไปอยู่กับครูบาอาจารย์ดูเดี๋ยวท่านก็ทาป ก, ก็หาที่จี้แยกริเรน <laughs> แต่คนที่ชอบอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ชอบตรเ น, นี้ยจะได้รู้จะได้ไม่หลงเพราะเวลาหลงมีครูบาอาจารย์ท่านรู้ละเดี๋ยวท่านแจกแยออกมาปั๊บโอโห ตอนเราเสียศูนโอ้ยเยขนาดไหนเ น, นี่ยเราบอกแค่นี้เสียศูนย์นะเ่แค่นี้ <c oughs> โอ้โห<อ>เท้า น, นี่มันไม่เสียไงแตอ ม, มันเทียบจากครั้งก่อนกนที่แบบว่าโดนที่เอื่อมาแล้วเสียศอาการมันเป็นยังไงอัตราตัวตนยังเยอะนะใครแตะไม่ได้นะใครว่าไม่ได้เลยที่ที่เนี่ยแ้ทย์าากาบางเริ้นเห็ น, หนอะเวลาเขางานต้องมาทำงานไวมาก ว่าจะทั้งสเกย้อนออกมาทันีล้วจะลักษณะนี้แต่ก็ที่ใหเป็นลักษณะธรรมะที่ปกป่องพระอริยะเจ้าไม่ให้ลงอวยเถ้ามันเด็นดสองาไปหวังจะเาบตในขนะเกียก็แบบนี้าแ้ก็แก็ได้เห็นความทุกข์งแล้วถ้าไม่ไปแก้ความทุกข์ด้วยการไปทุบไปตีผู้อื่นไปด่าผู้อื่นท่านมา หยุดความทุกข์ด้วยการหยุดความอยากของท่านเองอยา่างที่อยากแม่เขาตําหนิพาก็ตําหนิเราก็กรธใช่ไหมรู้แล้ววิภาควตัตถนาอยากแม่เขาตําหนิเฮียก็มาหยุดตัวนี้เสียเราเราเป็นใครวิเศษขนาดไหนครับเขาตํำหนิเราไม่ได้ใช่ไหมเราห้ามเขาได้หรือเปล่าคนนี้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งให้เขาตกไม่ตกได้หรือเราไปสั่งให้เขาชมไม่ให้เราไม่ไม่ตํำหนิเราได้หรือเปล่า ต้องเห็นอนัตตามันถึงจะถึงมันถึงจะหยุดวิพาทตัณหาได้อ๋อเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปบอกเ้านี่คุณชมเราอย่างเดียวนะคุณอย่ามาตําหนิเราเนะี่ยไม่ได้บอกก็ได้แต่เขาไม่ฟังเราว่าเขาก็มีอารมณ์นยอารมณ์ดีเขาก็ชมเราอารมณ์ไม่ดีเขาก็ด่าเราตําหนิเราแล้วเราไม่สามารถทําให้คนอารมณ์ดีไม่ได้ตลอด เอาใจคนไม่ได้ตลอดแล้วถึงแม้จะเป็นภรรยาเป็นสามีก็เอาใจไปไม่ได้ตลอดแล้วมันต้องมีขีดที่เราทนไม่ไหวเหมือนกันนะเงั้นเนี่ยพาลิยะท่านเห็นอริยสัจสีในใจของท่านตลอดเวลาพอทุกข์เกิดขึ้นนี้ถ้าไม่ไปมองคนที่ทำให้ท่านทุกข์ท่านมองใ ห, ให้ปัญหาความอยาก คนที่พูดที่ทําั่้เขาเพ่งแต่ไปย้ายตัวตันหายมันเกิดขึ้นมาทั้งนั้นแล้วต้องแก้ที่ตัวนี้ไม่ได้ไปแก้ที่คนที่ทําที่พูดไปทะเลาะกับเขาไปว่าเขาไปเทงปากเปียกปากฉีกกับเขายิ่งทุกข์ใหญ่ยิ่งร้อนใหญ่เราก็ว่าอะไรเราไม่สบายใจเราก็กลับมาดูที่ใจเราเพราะอะไรเนาะเราถึงไม่สบายใจ อ, อ๋อเพราะเราไม่อยากให้เขาว่าใช่ไหม ถ้าเราอยากให้ก็ว่าเป็นไงแล้วก็สมใจใช่เนี่ยพารียท่านมีจิตท่านท่านเข้าข้างในไงผู้ที่จะเป็นภารยาได้ต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องเข้าข้างในไม่ออกไม่มองข้างนอกเป็นหลักมองข้างในเป็นหลักอยู่ข้างในตลอดเวลาอยู่ข้างในก็จะเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากถ้าไม่เห็นก็ผลิตขึ้นมาได้ ส่วนให ญ, ญ่จะมีสองตัวที่จะเห็นชัดใยู่ในใจเราเสมอก็คือทุกข์กับสมุทัยแต่มากนี่เรายังไม่ได้เจริญมันเลยไม่ค่อยมีพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเจริญมากมากมากมากมา ก, ก็คือปัญญามากก็คือไตรักนี่ให้คิดอยู่เรื่อยๆคิดถึงเรื่องใตรักอยู่เรื่อยๆคิดเรื่องอนัตตาอยู่เรื่อยๆทุกอย่างเป็นอนัตตานะสัพเพธรรมานัตา ต่อไปพอเรามีมรรคแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาปั๊บเราก็ใช้มรรคเข้ามาแก้ได้เลยพาริยเจ้าท่านจะไม่ไปแก้ปัญหาข้างนอกท่านจะแก้ข้างในเพราะปัญหาจริงอยู่ข้างในต้นเหตุของปัญหาอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกใครด่าเราเนี่ยท่านจะไม่ไปยุ่งกับคนที่ดา่าท่านกลับมาสอนใจว่าเนี่ยมะพยอยากให้เขาไม่ดา่าก็เลยทุกข์ถ้ายอมมาให้เขาด่าได้ก็สบาย ยังต้องหัดทำตัวเป็นภาคที่ริ้วให้นะทำตัวให้เป็นปัตพีใครอยากจะเหยียบใครอยากจะย่ำไปอยับไปส่วนความสูงต่ำนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องของสมมุติไม่ใช่เรื่องของใจใจไม่มีสู ง, ไ ม, มสงไม่มีต่ำใจของทุกคนเหมือนกันหมดใจของพระเจ้าแผ่นดินใจของขอทานนี่เหมือนกันไม่สูงไม่ต่ำไม่มีสูงไม่มีต่ำที่สูงต่ำนี้เป็นสมมติของร่างกาย ร่างกายมาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นเจ้าฟ้าไปมาเกิดเป็นขอทานก็เป็นลูกขอทานไปเพราะฉะนั้นสมมุติสมมุติมันเป็นของที่มันก็เปลี่ยนได้ขึ้นขนลงๆได้ขอทานกลายเป็นเศรษฐีก็ได้พระเจ้าแผ่นดินกลายเป็นคนไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ได้เนี่ยมันเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมมุติกัน เราก็ปฏิบัติไปตามกฎของสมมติปยาต์เพียงแต่อย่าไปหลงอย่าไปยึดไปติดว่ามันเป็นของแท้ของจริงของแท้ของจริงก็คือใจที่เป็นผู้รู้แล้วทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็อยู่ที่หลงหรือไม่หลงเท่านี้ถ้าไม่หลงก็จะไม่ทุกข์กับสมมุติต่างๆให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ให้เป็นขอทานก็ได้แม้พระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าฟ้าให้มาเป็นขอทานเป็นพระก็เป็นได้ อพาะท่านไม่หลงท่านรู้ว่มันเป็นสมมุติท่านเองเราเป็นเหมือนตัวละครไปเล่นละครแล้วแต่ผู้กำกับจะให้เราเล่นบทไหนแล้วก็เล่นไปละครเรื่องนี้ก็บอกให้เป็นเจ้าชายนะละครเรื่องหน้าเขาบอกให้ไปเป็นผู้ร้ายเอาเป็นผู้ร้ายก็ได้เป็นเจ้าชายก็ได้ขอให้มีเงินเดือนก็นแล้วกันนี่ก็เหมือนกันใจของเราไม่มีสูงไม่มีต่ำมีเพียงแต่ว่ามีสุขมีทุกข์มากน้อยต่างกันเท่า น, นี้ พอมีกิเลสมากน้อยต่างกันเนี่ยที่มีความต่างกันก็มีแค่เนี่ยเราต่างกันตรงที่กิเลสกับธรรมเรามีกิเลสมากหรือมีธรรมมากกว่ากันเท่านั้นเองถ้ามีธรรมมากก็ถือว่าสูงเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีธรรมเต็มร้อยก็สูงสุดลองลงมาก็พระ อ, อรหรันต์เราลงมาก็พระ อ, อนาคามีมีธรรมไม่เต็มเหมือนกับพระพุทธเจ้า พระโสดาบันก็มีน้อยกว่าพระสกิฎาคามีพระสติกานาคามีก็มีน้อยกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีก็มีน้อยกว่าพระอารหันต์พระพุทธเจ้าพระอารหันต์นี่มีเท่ากันถ้ามีธรรมเท่ากันธรรมที่ทําให้ใจบอยสุดนี้มีเท่ากันนี่คือความสูงต่ําของใจอยู่ตรงนี้อยู่ที่ธรรมกับกิเลสในใจ แต่ความสมทางร่างกายเขามีสมมติกันเราเรียนหนังสือเราเรียนจบไปทำงานเราก็ได้ตำแหน่งสูงกับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือคนเรียนหนังสือจบก็ไปเป็นร้อยตรีเรือตรีคนไม่ได้เรียนหนังสือก็ไปเป็นพานลงมันก็คนเหมือนกันมีร่างกายเหมือนกันมีใจเหมือนกันต่างกันที่ไม่มีวุฒิไม่มีคุณสมบัติที่จะทาให้เขา อ่าสมมุติว่าให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็มีเท่านั้นแหละเวลาเด็กมันออกมาจากท้องแม่มันมันมีอะไรนะมันก็เป็นเด็กเหมือนกันหมดที่โรงพยาบาลถ้าไม่ติดป้ายมันดีไม่ ด, ไม ด, ไมดีไม่รู้วเป็นลูกใครด้วยั้ำไปดีไม่ดีเอาลูกของคนอื่นไปให้พ่อแม่ของคนอื่นก็ได้ <c oughs> แล้วก็เลี้ยงไปพ่อแม่ก็หลงเชื่อเป็นลูกพอสิบ ป, ปีเขาพึ่งมารู้ทีหลังพ่าไม่ใช่มาขอแลกเปลี่ยนก็ไม่เอาแล้วนะ มันเสียความรู้สึกว่ามันรักคนนี้เป็นลูกแล้วจะไปเอาไอ้คนที่เป็นลูกมารักใหม่เนี่มันรักไม่ลงนะเนี่ยมันความหนงในสมบูรณ์ของใจมันแรงขนาดนั้นพอให้เป็นอะไรมันก็หนองยึดติดเป็นนาวาก็าคิดว่าเป็นนาวาจริงๆใจจั ง, จ ง, เเเงเป็นเศรษฐีก็คิดว่าตอนนี้เป็นเศรษฐีจริงๆ พอเกิดเวลาเกิดล้มละลายขึ้นมานี่มาเป็นขอทานนี่โอ้ยทำใจไม่ได้แล้วมีเศรษฐีคนนั้นใช่ไหมที่ที่มาขายแซนวิชเน่ยใช่ไหมอ่าตอนนั้นเขาทาอะไรทําหุ้นนะขายหุ้นนะอ่แล้วแจงใช่ไหมเขาก็ยอมรับอ่านตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วเป็นคนขายแสนวิชแล้วเขาก็มา เราก็อยู่ได้ใช่ไมถ้าตัวเองปรับปรับปรับปรับใจให้อยู่กับฐานะที่เปลี่ยนไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคนที่ปรับไม่ได้ก็ต้องกระโดดติกตายข้าตัวตายกันไปเพราะไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปอันนี้จังเยอันนี้จังคือการเปลี่ยนแปลงพทธเจ้าถึงสอนให้เราพยายาม ศึกษาอนิจังว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้นมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันเป็นตามใจเรานี่เราจะทุกเวลามันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองเนี้ยสอนสามตัวนี้ให้รู้จักสามตัวนี้อนิจจงมันเปลี่ยนอนัตตาห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนไปอยากให้มัน เป็นตามคําสั่งของเรามันจะทุกข์เพราะมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีอานิจจังทุกข์ครั้งหน้าตายอยู่ในใจเราเราจะไม่ทุกข์กับอะไรอะไรจะเกิดจะดับก็เราก็รู้ทันไว้ตรงหน้าแล้วอ๋อมันต้องเกิดมันมันมีเกิดมันก็ต้องมีดับมีเจริญก็มีเสือ่มอมพระถึงสอนให้พิจารณาโลกประธรรมแปดไว้อยู่เรื่อยๆโลกประธรรมแปดก็สี่คู่ คู่ที่หนึ่งก็คือจเจริญราษเสื่อมราษมีการจเจริญราษก็ต้องมีการเสื่อมรากคู่ที่สองมีการจเจริญยศก็มีการเสื่อมยศอย่างนั้นพลตํารวจโทรถูกจับเนี่ยต่อไปเมื่อไม่ได้เป็นพลตํารวจโทรแล้วเนี่ยติดคุกเนี่ยเดี๋ยวต้อถูกปลดถอยดยศนะมีจะเจริญมีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาสลับกันไป มีสุขก็ต้องมีทุกข์สุขนี้ก็คือสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่ น, น, นรส<ม>ถ้ารูปได้สัมผัสกับรูปที่ถูกใจก็สุขถ้าไปสัมผัสกับรูปที่ไม่ถูกใจก็ทุกข์รูปอันเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปคนคนเดียวนี่ะสุขกับเขาเดี๋ยวก็ทุกข์กับเขาพราะเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาดีก็สุขกับเขาเวลาเขาไม่ดีก็กทุกข์เวลาเขาตามใจเราเราก็สุข เวลาเขาขัดใจเราเราก็ทุกข์เนี่ยให้พิจารณาเนี่ยอนิจจังมันเป็นอย่างนี้มันมันไม่นิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยสามวันดีสี่วันไข้สลับกันไปอนัตตาก็คือเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ทุกข์ก็คือเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรางั้นทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราที่มองไม่เห็นอนิจจังมองไม่เห็นอนัตตา ถ้าเราเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเราก็จะไม่ไม่ไม่ไปอยากเช่นเราไปอยากให้ฝนหยุดฝนตกได้ไหมเรารู้เราอยากไม่ได้เราก็เลยไม่ทุกกับมันเพราะเราเห็นเขาเป็นอนิจจังเห็นป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราสั่งไม่ได้แต่ทําไมร่างกายของเราถึงเราถึงต้องไปทุกกับมันด้วยทั้งทั้งที่มันก็เหมือนกันสั่งมันได้ไหน่อยมันก็มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อาบน้ำมันก็สดชื่นสะอาดพอไม่อาบสักพักมันก็เหม็นมันก็มีอาการรู้สึกไม่ดีร่างกายเหนอยเนียวเหนียวเนน่ยไปด้วยเหงือไข่เสื้อผ้าใส่ก็ส่งกลิ่นเหม็นไปห้ามมันได้เปล่าห้ามให้ร่างกายมันไม่ให้ไม่ให้เสื่อมได้ไหม อาบน้ำหนึ่งเดียวแล้วก็มาให้มันหอมมันสะอาดไปตลอดเวลาได้ปะไ ม, ไม่ได้นี่ละปัญญาอยู่ตรงนี้ต้องมองให้เห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเห็นแล้วมันจะไม่ยึดไม่ติดไม่อยากมันจะปล่อยให้เป็นไปต า, ามเรื่องของมันเราจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะพยายามจะไปไปจัดการกับมันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเราไปทุกข์กับมันเพราะเราพยายามจัดการกับมัน หาอยุกหายาหาอะไรต่างๆนานาม า, มาบำุงบำเรอมันแล้วเป็นยังไงมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันคนไม่ไปหาอะไรมาบำลงบำเรอมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันอาจจะช้าเร็วต่างกันเท่านั้นเองแต่ก็ไม่เสมอไปบางคนไม่หาอะไรก็ตายช้าก็มีบางคนหาถ้าเป็นถ้าตายก็ตายเร็วก็มีมันไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปอย่าไปกังวลกับมันเลออย่าไปยุ่งกับมัน ดูแลแบบสบายๆก็พอ แ, แบบที่พระเจ้าสอนท่าให้ดูแลวันหนึ่งก็บินสบายๆหนเดียวได้อะไรมาก็กินกินแล้วก็จบที่อยู่อาศัยก็ที่ไหนพอลบแดดถลกฝนได้ก็พ อ, อยารักษาโรคมีอะไรก็กินไปรักษาหายก็หายไม่หายก็ตายเดี๋ยวก็ตายด้วยกันทุกคน แต่ใจไม่วุ่นวายใจเย็นใจสบายพวาเราทุกคนเดินไปที่จุดหมายปลายทางันเดียวกันทุกคนเดินไปสู่ความตายด้วยกันจะเดินแบบไหนเดินแบบวุ่นวายเดินแบบสบายใจมันก็ถึงจุดหมายปลายทางกันเดียวกันบางคนเดินแบบวุ่นวายตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่มีเรื่องต้องทําอยู่ทั้งวัน ยิ่งร่ำยิ่งรวยยิ่งมีงานภารกิจวุ่นวายไปหมดคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาจิตหมุนตี้วรอบด้านไปหมดเลยเวลานอนนี่นอนไม่หลับกำลังนอนก็ฝันถึง่เรื่องงานการอยู่นั่นเลยก็ได้อะไรได้เงินมาก้นหนึ่งไม่มีเวลาไปใช้เงินใช้เงินก็เดี๋ยวเดียวความสุขเดี๋ยวเดียว ห่วงงานนะไปเที่ยวบางทีไปเที่ยวก็ยังมีงานตามมาถ้าใจไม่สงบปัญหาความสุขไม่เจ อ, อไม่มีความสุขฉะนั้นมาทำตามที่พระเจ้าสอนดีกว่านะพยายามหาเวลามาปฏิบัติทำหยุดหยุดใช้เวลาไปกับการหาเงินใช้เงิน พราะมันเป็นวงจรอุบาทหาแล้วก็ต้องหามาแล้วก็ต้องใช้ใช้หมดแล้วก็ต้องหาใหม่มันก็วนอยู่อย่างนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกความสุขที่ได้จากการใช้เงินก็หมดไปความทุกข์ที่เกิดจากการหาเงินก็เกิดขึ้นมาใหม่สลับกันไปอย่างนี้สุขทุกข์กับการหาเงินใช้เงินไปจนวันตายจนกระทั่งวันที่ไม่สามารถทำอะไรได้ ตอนนั้นก็ซึมเศร้าอยู่เฉยๆคนหนุ่มคนสาวเขาก็ไปเที่ยวไปเล่นกันปล่อยคนแก่นั่งอยู่บ้านแต่ถ้าทำใจสงบได้ร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใจมีความสุขเหมือนกับตอนที่ร่างกายปกติเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องทำความสุข ใช้ธรรมะใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาอขอให้เราพยายามสร้างสามตัวเนี้สามสาหาอมิตรแท้ของพวกเราอหรือจะเรียกว่าผู้ช่วยที่แท้จริงของเราก็ได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะไม่มีความทุกข์เราจะมีแต่ความสุขไปตลอดอืม สติก็คือต้องควบคุมความคิดอยากคิดให้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวสมาธิก็นั่งหลับตาจิตรวมลงเข้าสู่อัปปนาสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเรียกว่าสมาธิออกจากสมาธิมาก็รักษาอุเบกขาด้วยปัญญาตัวที่จะมาทําลายปัญญาตัวที่จะมาทําลายอุเบกขาก็คือตัณหาความอยากตัวที่จะมาทําลายตัณหาความอยากก็คือตายรัก ก็คือปัญญาตายลักกับอสุภะด้วยอ ส, อสุภะก็มาดับความอยากในการเห็นคนรูปร่อเห็นผู้หญิงสวยๆเกิดการมาลมขึ้นมาก็ต้องดูตับไตไส้พุงหรอดูสิ่งที่ไม่สวยงามของเขาดูแล้วมันก็จะพงักลองไปเปิดภาพที่เขาพาเมื่อเช้านี้กลับมาจากบินาบาบมาตัวหนึ่งถูกลดทับตายไส้ไหลออกมา พวกเรามีไส้ด้ยวยกันทุกคนกเหรอเห็นหรึเปล่าเคยเห็นไส้ของตัวเองบ้างั้ยอย่าง น, นี้ของเราไม่สำคัญเห็นของคนที่เรารักที่เราหลงลองขอแฟนแบบพี่เอาไส้มาให้ดูหน่อยไม่ได้เะเอาเลนะเอาแค่นี้แหละสมควรแก่เวลา ไม่ได้แล้วจบแล้วหมอ<ม>ไม่หมอไม่ถามเอี่ยหมอชอบเท็จ<ม>ไฟังงายกว่าเอสักกายที่ถือว่าจ์หมายถึงตัวตนที่ที่ที่พูดถึงเรื่องหมายถึงกายตัวนี้และตัวที่เราจะลากคกตัวนั้นทรือตัวนี้หมายถึงไปยึดไปติดไปหังใี่ว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา แต่ตัวตนยังไม่หมดตัวตนมันยังมีอยู่ในจิตอยู่แต่เอาตัวตนที่มันอยู่ในร่างกายออกไปก่อนทำลายตัวนั้นก่อนตัวตนในจิตยังมีอยู่พระเสวดาบานี้ครดา่าก็โกรธอยู่นะพระอนาคามีใครด่าก็ยังโกรธไดย้ยังมีมานะอยู่ต้องพอระอาหันรเห็นยังทำลายมานะบนะ้า ทังนะง้งยอดเนี่ยไปดูสองเนี่ยมานะอยู่ในทั้งยอดมุ่งบนหือตัวนี่แน่ใจถ้าอย่างนั้นถ้าเขียนว่าเรารัะตัวตงที่คิดในใจได้ x ส อ, องของคนหมดไปไหมก็ลองก็ต้องวาดของของที่ง่ายก่อนวาด ก, กาแฟก่อ น, น, นใครจะขโมยก็ไม่ว่าอะไร ใครจะขโมยรถก็ขโมยไปรถหายก็หายไปย่างนี้่ของเราถ้ายังทุกกับของที่หายอยู่ก็แสดงว่ายึดติดอย่าถ่ยไปนอกถ้าล่าของไปนไม่ได้จะมาล่รางการนี่ได้ใช่ไหมอันไ้นมีคุณค่ามากกวกากันเงินทองกับว่ชีวิตที่อันนี้มีค่ามากกว่ากันเพรานั้นถ้าลของท่านพุท้าสอนให้ทำทานก่อนถังละของภายนอก่ มาพัฒ น, นาเรื่องกายต่อไป